คำถามเมื่อกี้เนี่ยเป็นคำถามกว้างๆคนมีปัญญามากก็ตอบมากคนมีปัญญาน้อยก็ตอบน้อยตามสมควรแก่ผู้ตอบการที่พระพุทิภาคทรงสมาทานเรื่องนี้ไว้นี่นะครับก็จะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพระองค์นะพร ะ, พระองค์ะงคจะเจอพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ถ้าพระองค์ไม่สมาทานเรื่องนี้ไว้นะครับโอกาสที่จะคลาดจากพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ได้แล้วก็จะไม่ฟังธรรมใช่ไหมครับ ถึงเจอแล้วก็ไม่ฟังก็ได้เพราะไม่ได้ตั้งใจอยากรู้นี่เช่นในยุคนี้เนี่ยนะเห็นพระไวริฎกก็เห็นอะแต่ไม่คิดจะอ่านเลยอะเพราะไม่ได้ตั้งใจว่าจะอ่านมาแต่คนตั้งใจว่าถึงเขาเห็นเขายังไม่ได้อ่านนะแต่ตั้งใจว่าสักวันหนึ่งจะต้องอ่านให้ได้แล้วคนที่อ่านเองนะอ่านเพลินๆนี่แต่ถ้าอ่านแล้วคนบางคนตั้งใจแล้วจะต้องจําให้ได้ต่อย้าเขาอีกเขาจะเริ่มจํำละบางคนเนี่ยจําได้ไม่พอต้องเอาไปพูดได้ ตั้งไปอีกตั้งไปอีกแล้วแต่การตอกยำ้ำส่วนตรงนี้สำนวนทั่วไปก็บอกแล้วแต่วิสัยทัศน์แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความรู้ความสามารถแล้วแต่เจตนารมณ์ที่ตั้งเอาไว้แล้วแต่มโนปณิธานอ่ะคือเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะเน้นให้เห็นความสําคัญของอัตตาสัมมาปณิทินะครับกิดนิทัศนว่าอะไรปณิธานนะครับมโนปณิธานมโนปณิธานหรือว่าอัตตาสัมมาปณิทินี่นะมีความสําคัญมากเลย นะครับถ้าหากว่าเราจะปล่อยอะไรให้มันเป็นอนัตตาตามเบนตามกรรมนะเรียบร้อยนะครับแต่คําว่าอนัตตาเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะไม่ใช่เอาคําว่าอนัตตาเพื่อที่จะไม่สนใจอะไรสักอย่างเลยนะโอ้ไอ้ไม่สนใจนั้นก็เป็นอนัตตานะและใจที่ไม่สนแบบนั้นเป็นอกุศลมีโทษ ด, ด้วยนะอย่าลืมว่าอนัตาาานนตาบางอย่างเป็นอกุศลอนัตตาบางอย่างเป็นอกุศลอนัตตาบางอย่างเป็นอัพยากตะอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษ ไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสุขควรเจริญหรือควรละกุศลเนี่ยควรเจริญฤกษ์ควรละเอานักตาแบบนี้นพระองค์ให้เจริญอากุศลมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วเป็นปฏิบัติต่อกุศลถ้าใครปฏิบัติมากๆให้ผลเป็นทุกข์อย่างแน่นอนมันควรเจริญหรือควรละควรละเพราะนักตาแบบอากุศลให้ละอย่างเดียวอย่าไปเจริญมานะ อนัตตาคืออัพยากตะทำวิบากกรรมชรูปกิริยาจิตวิบากจิตเป็นอัพยากตะอ่าพวกนี้เป็นผลของของเก่า ส, ส่วนใหญ่ถ้าวิบากก็เป็นผลของกรรมเก่าควรทำปริญญาญากิจนะควรกําหนดรู้ควรรอบรู้ด้วยปริญญาสามอันนี้ก็อนัตตาเพราะฉะนั้นสัพเพธรรมมาอนัตตาอริยสัจสีก็อนัตตาอริยาาสัจสี่ที่เป็นทุกขสัจเนี่ยนะโดยกิจชั้นสูงปริญญาญากิจควรรอบรู้ด้วยปริญญาสาม แต่ถ้าธรรมดาแบบของเราเจริญอย่างเดียวกุศลทุกขสัต์เป็นกุศลอกุศลและอัพยากตะทุกขสัต์แบบกุศลควรเจริญแต่เจริญแล้วปริญญาด้วยนะเจริญแล้วทําปริญญาต่ออย่าไปยึดถือมันอกุศลควรละแล้วปริญญาด้วยแล้วก็อัพยากตะปริญญาอย่างเดียวไม่ต้องเจริญแต่แต่ของยุคนี้ปฏิบัติตรงข้ามหมดเลยแสวงหาอัิญาคตะพรมโดยเฉพาะทวิปัญจาวิญญาเนี่ยโอ้หาจริงๆเลยนะ เพื่อไปเห็นบางอย่างนะโอ้โหตลอนตลอนเพื่อให้มีจักครูวิญญาณได้เห็นภาพบางภาพเท่านั้นน่ะลงทุนมากม า, มายมหาศาลแสดงว่าเขาเจริญอพยากตะไปตั้งไกลเพื่อได้ฟังเสียงบางอย่างเท่านั้นเองมาตั้งแต่ทวีปยุโรปอะเพื่อมาส่องนกอะโหจนถูกเขาฆ่ามาแสวงหาอพยกตะาหาขนาดนั้นนะ คนบางคนเนี่ยนั่นนงรถสเกลเพื่อไปทานอาหารบางคําเท่านั้นเองนะสแสวงหาอพยยากตะไปสแสวงหาบรรยากาศบางอย่างไปเพื่อไปนอนในที่บางแห่งเท่านั้นเองนะสแสวงหาที่หลับที่นอนเนี่ยบินไปทั้งหลายประเทศเลยนะเพื่อหาที่นอนเยฉยๆเนี่ยอย่างนี้หาอพยยากตะ <c oughs> แล้วค น, คนวันวนูวันเออหาอพยยากตะซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าปฏิบัติไม่ถูกตามกิจที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่มั่นคงใน คำสอนเขาไม่มีธรรมมังสระ AN นังขะฉามิเป็นที่ไปในเบื้องหน้าถ้าเขาตั้งใจไว้ว่าถ้าเขาเจริญเป็นธรรมมังสระ AN นังขะฉามิเขาจะรู้กิจเลยว่าอันนี้เป็นกิจอะไรอันนี้เป็นกิจอะไรอันนี้เป็นกิจอะไรแต่ทุกอย่างก็เป็นอนัตตานั่นแหละไม่มีอัตตาอะไรทักอย่างหรอกแต่อนาตตาแต่ละอย่างก็มีกิจของอนัตตาอนา ต, ตาก็มีกิจของอนัตตาอตริยสัตว์โดยเฉพาะนิพพานก็อนัตตา แต่อนาตาอย่างนี้เป็นสัจชิกาแต่ประทเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งมักสัต์ก็เป็นอนาตาแต่มักอนาตาแบบไหนอนาตาแบบพาเวแต่ประทเป็นธรรมที่ควรเจริญอายกตัวอย่างเลยนะสัมมาทิฏฐิควรเจริญอนาตาเหมือนกันควรเจริญนะสัมมาสังกปะก็อนาตาแต่ต้องเจริญให้มากๆสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็อนาตาหมดนะ แต่อนานตตาอย่างนี้ต้องเจริญนะทาไม่เจริญเนี่ยเนตแผงผ้าพิสูจน์นะทาไม่เจริญมักเนี่ยซึ่งเป็นอนาตตาถ้าอนาตตาแบบนี้ไม่เจริญนะปล่อยให้โลภะเกิดสำนวนว่าไงนะเมื่อวานเงให้ฟังแล้วท่อนฟืนอะ่ะเผาผีอ่ะ <c oughs> ก็บอกว่าตรงกลางเปื่อนคูดหัวท้ายถูกไฟไหมหาประโยชน์ไม่ได้ชั้นใดว่างั้น พระภิกษุที่มากไปด้วยอากุศลวิต ก, กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกปล่อยจิตให้หมกมุ่นกับบาปอากุศลธรรมก็ลักษณะนั้นแหละไม่มีประโยชน์เลยเหมือนท่อนฟืนเผาผีนั่นแหละประโยชน์ในบ้านก็ไม่เกิดประโยชน์ในตาก็ไม่สําเร็จเอามาทําเป็นรัว้วทําเป็นอะไรไม่ได้มากอย่างภิกษุรูปนั้นก็ลักษณะเดียวกันประโยชน์ทางโลกก็ไม่ได้ทำมาหากินก็ไม่ได้ทํากับเขากินทรัพยากรของโลกมากมายมหาศาล ประโยชน์ทางธรรมอีกศรัทธาสินสุตจารค่าปัญญาไม่เกิดแม่แต่อย่างเดียวอันนี้ก็ศัพท์ทางลายเป็นไปตามกรรมจริงๆแต่อย่าคิดว่าโอ้โหเขาทําแบบนั้นแล้วนะแหมต้องไปแช่งชักทักกระดูกไม่ต้องหรอกนะชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ชวนะดวงที่เจ็ดให้ผลชอบหน้าสองถึงหกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปแต่ถ้าอยู่ในสำนักเดียวกันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าจงขจับสมณะแกลบสมณะอยากเยื่อออกไปชำระบริสัทธ์ให้บริสุทธิงง์เหมือนกันไม่ได้ปล่อยนะเพราะฉะนั้น โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะต้องรีบกําจัดออกนะปล่อยมากลามอนัตาก็เป็นทางนั้นเหมือนกันวันมาอนัตตาเลยก็เลยนั่งเฉยๆเลยไม่ทําอะไรเลยรอนดีกว่านั่นก็กินบุญเก่าอีกแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยนะการสมาทานการอธิษฐานเพื่อให้เกิดปัญญานี้จึงเป็นเหตุที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นข้อความในพุทธวงศตรงตัวดําๆเนี่ยเป็นข้อความที่ท่านคัดมาจากพุทธวงศว่าก็พุทธธรรม คือธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเหล่านี้จะไม่มีเพียงเท่านี้แน่ไม่มีเพียงเท่านี้หมายความว่าไงไม่มีเพียงสามข้อต้นแน่ไม่ใช่มีแค่ทานศีษเนคธรรมะเท่านั้นมีปัญญาอีกเราจะเลือกเฟ้นธรรมะแม้เหล่าเอินที่บ่มโพธิญาณโพธิญาณเป็นชื่อของอะไรนะอรหัตตมักคยานเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตญาณ่ะโพธิญาณอันนี้หมายถึงปัญญาที่ในมัคนาะ เพราะฉะนั้นจะต้องมีบา ร, รมีสิบเพื่อบ่มโพธิญาณอันเนี้ยบ่มอรหัตธรรมขยานให้เกิดขึ้น่ะในการนั้นเราเลือกเฟ้นอยู่ก็ได้พบปัญญาบา ร, รมีข้อที่สี่ที่ท่านผู้สแสวงหาคุณใหญ่แต่ครั้งเก่าก่อนทั้งหลายถือปฏิบัติเป็นประจำท่านจงยึดปัญญาบา ร, รมีข้อที่สี่นี้กระทำให้มั่นก่อนจงถึงความเป็นปัญญาบา ร, รมีทำปัญญาบา ร, รมีให้เกิดนะหากท่านปรารถนาที่จะบรรลุโพธิญาณ ถ้าปาธนาบรรลุโพธิยานต้องทําบารมีให้เกิดไม่ได้ว่าอยู่ๆแล้วเกิดเองนะต้องทําขึ้นพวกนี้เห็นไหมเป็นภาเวตประธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญนี้ก็อนัตตานบารมีเนี่ยแต่ถ้าบําเพ็ญแล้วเกิดภิกษุเมื่อขอเขาไม่พึงเวน้นตระกูลสูงปานกลางและต่ําย่อมได้พิกษาพิษาคืออาหารพอเลี้ยงชีพโดยอาการอย่างนี้ฉันใดท่านเมื่อไต่ถามชนผู้รู้ตลอดการทุกเมื่อ ต้องไปถามผู้รู้เนะไม่ไปถามคนโง่ไปกันใหญ่อีกนึกถึงพระเจ้าอังคติราชนะในธรมนารทะกัสปะชาดกเนี่ยนะแกไปถามอเจละกัสปะอเจละอเจลกก็คือนักบวชนุ่งลมหมอากาศอะเป็นไงนั่นแหละนักบวชนุ่งลมหมอากาศแับนี้แหละเขา็ไปเลยไปถามปัญหาเขา้าแกก็ตอบแบบแกอะเขาบอกว่าอ้ไม่ต้องปฏิบัติอะไรหรอกครบแปด0มืนสี่พันกับแล้วตรัสรู้หมดแะ นั้งปู่ดีทั้งยาจกมันจะได้ดีจะตกยากแล้วแต่ดวงเหมืนกันแล้วแต่โชคแล้วแต่วาสนาเหมงอนกันสุดแท้แต่วาสนามไปเลยนะมันไม่ต้องทําอะไรแล้วบาปที่ทําแล้วก่อไม่เป็นอันทำบุญที่ทําแล้วก่อไม่เป็นอันทำพวกบุญพวกทานเนี่ยคนโง่บัญญัติไว้คนฉลาดรับเหมือนกันแต่ก็สอนรับที่อันนี้ขึ้นมาพระเจ้าอังกฤษราชเชื่อเลยนะโอ้ใช่ใช่แหมข้าพเจ้านี่เสียเวลาให้ทานมาตั้งนอนอเปลืองทรัพย์ไปตั้งมากมายตั้งอันนี้ต่อไปใครมีลูกสาวสวยทานไปเอามา ทางการ น, นั้นมามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในจิตเลยต้องพรมนั่นลงมามาอนุเคราะห์แต่คนมีบุญเนอะพระเจ้าอังคติราชก็คืออดีตชาติของพระอุรุเวลกัสปัตยเพราะฉะนั้นเขามีปณิธานตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมะอยู่แล้วจึงมีคน ม, มาโปรดนะทำมาได้ตั้งปณิธานมาเนี่ยใครก็โปรดไม่ได้เพระเาะฉะนั้นจะต้องเข้าไปไต่ถามท่านปุรูุ้นะถ้าไปถามคนไม่รู้ไปกันใหญ่เลยมาเคยหลงทางมาหลายครั้งแล้วก็ถามคนไม่รู้นี่แหละไม่รู้แล้วก็เชียร์ ดีนะเรารู้ที่ตรงนั้นอยู่ก่อนแล้วอะ่ะมีครั้งหนึ่งไปบินทบาทในตลาดแห่งหนึ่งเลยนะทีนี้เราก็เอาเข้าวของวางไว้ในเทศบาลลงรถไปก็วางของไว้ในเทศบาลให้สั ม, มเนนเนี่ยเฝ้าเน้นดูย่ามดูอะไรนะเดี๋ยวไปบินทบาทก็ไปกับเพื่อนไปบินทบาทบินทบาททีนี้ไอตอนเราไปเนี่ยนะตอนเช้าใช่ไหมร้านก็ยังไม่เปิดอะไรเนี่ยค้ากลับนี่ร้านเปิดหมดเลยหลงเลยกันนี้ตลาดเนี่ยกลางคืนอย่างหนึ่งกลางวันอย่างหนึ่งนันไม่เหมือนเดิมนะ พอเปิดร้านนี่เหลียวเข้าไปตรงไหนนี่สีสันต่การตาไปหมดเนี่หาทางกลับเทศบาลไม่ถูกแล้วก็ถามย้อมย่มทางปเทศบาลไปทีงไหนท่านไปทางโน้นท่านเราก็เดินตามไปกิโล ก, กว่าเอ้เราก็ตอนออกมาก็ไม่ได้ไกลขนาดนี้นี่ไปถามคนใหม่อีกย้อมเทศบาลอยู่ตรงไหนท่านโอ้ยมาผิดทางแล้วคนละแห่งเลยอยู่ตรงโน้ น, นเราก็เดินกลับย้อนใหม่ไปที่เก่าด้วยแล้วจะได้ไปที่ใหม่อีกโอ้คิดดู ว่าเออคนไม่รู้แล้วชี้มันก็สร้างปัญหนาแบานั้นน่ะมันบางท่านก็เลยบอกว่าไม่รู้ไม่ชืี้นะโบราณเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยเป็นของดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถไปถามท่านผู้รู้ตลอดการถึงความเป็นปัญญาบารมีจักบรรลุสัมโพธิญาณได้แน่ถ้าปัญญาบารมีเต็มเปี่ยมพอกโพแล้วก็สามารถที่จะบรรลุอรหัตตมัคคิยานได้ถ้าอารหัตตมัคคิยานเกิดขึ้นดับไป พลยานก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นสัพพัญยุตยานก็จะเกิดขึ้นอนนาวารณายานเนี่ยนะพยานต่างๆก็จะเกิดขึ้นหลังไหลมาเพื่อที่จะทําพุทธกิจสงเคราะห์อนุเคราะห์สัพพะสัพทั้งหลายเพื่อให้พ้นจากสังสารทุกข์ถามว่าเออโพธิยานเนี่ยนะเราเออก็ไหนๆก็บรรลุธรรมแน่นะแต่การบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นพื้นฐานในการสงเคราะห์สัพพสัพแต่บรรลุธรรมแบบคนอื่นก็บรรลุเหมือนกัน แต่ก็ไม่คิดจะสงเคราะห์สัตว์เออบางคนเนี่ยนะทานอาหารพอได้รับทานอาหารอร่อยปั๊บเนี่ยนะคิดจะให้คนทั้งโลกได้กินด้วยอ่ะอีกคนหนึงโอ้ชันอิ่มพอใจแล้วเพราะฉะนั้นพภาสาวกธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะถ้าสาวกเนี่ยนะอรหันต์สาวกเนี่ยนั่งทั้งจักรวาลเลยนะพระพุทธเจ้าองค์เดียวประเสริฐที่สุดถ้าสาวกเนี่ยนั่งเต็มโลกไปหมดเลยนะพระพุทธเจ้าองค์เดียวประเสริฐที่สุดกว่าในบรรดาสาวกที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้น เพระพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมมากมายขนาดนั้นคิดดูว่าอารหัตตมรรคจะเกิดเมื่อสี่อสงไขยที่แล้วก็ไม่ยอมเกิดอ่ะไม่ยอมให้เกิดอ่ะทั้งๆ ท, ที่ไม่ต้องไปนั่งปฏิบัติให้มันเมื่อยด้วยนะนั่งฟังแค่สองบรรทัศเนี่ยนะอย่างเช่นท่านฟังว่าสัพเพสังขารานิจาติยะธาปัญญาญาปสติเนี่ยอาทานีปินทเทดุเคเขสมมโควิสุทธิยาท่านฟังแค่นี้ท่านเป็นพระรามเลยถ้าท่านจะบรรลุนะแต่ไม่เอา ประโยชน์อะไรด้วยชายชาติพลังอย่างเราใช่ไหมที่จะข้ามไปแต่เพียงผู้เดียวเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยท่านมีโมโนเปนิทานแบบนั้นอ่ะท่านจึงทําอะไรที่เกินกว่าคนธรรมดาจะคิดได้คิดดูะนะใครจะกล้าควักตาให้เป็นทานเฉยๆอย่างนั้นเป็นกษัตริย์ควักให้นะแต่เป็นยาจกเป็นคนไม่มีจะกินต้องขายตาไปอีกเรื่องหนึ่ง น, นะท่านเป็นกษัตริย์บ้านเมืองเป็นของท่านเนี่ยท่านควักตาให้เป็นทานได้อ่ะ ท่านสามารถทําได้ขนาดนั้นเกินกว่าที่คนธรรมดาทั่วไปจะทําได้ปัญญาบารมีจะมีผลมากมีย น, นิสง์มากก็ต้องอาศัยวิริยะบารมีต่อไปว่าลําดับนั้นเมื่อเขาใคร้ครวญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยคิดว่าธรรมะที่กระทําให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเพียงเท่านี้เลยเขาได้เห็นวิริยะบารมีเป็นข้อที่ห้า ได้มีความคิดว่าดูก่อนสุมเมศบัณฑิตจำเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญวิริยะบารมีให้เต็มเปี่ยมเหมือนอย่างว่าราชสีพยายามมรุกราดเป็นสัตว์มีความเพียรมั่นในทุกอิริยาบถฉันใดแม้ท่านเมื่อเป็นผู้มีความเพียรมั่นมีความเพียรไม่ย่อหย่อนจักเป็นพระพุทธเจ้าได้จะต้ององค์อาจในการทําดีขนาดนั้นน่ะก็บอกว่าราชสีเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่รู้สึก วันเกรงใครเลยนะในอิรยาบทสีเนี่ยนะไม่มีตื่นสมมติว่าลูกราชสีตัวเล็กๆเนี่ยนะท่านนอนอยู่เนี่ยนะเขามีคนมาบรลึอแตรเนี่ยนะให้มันดังก็หึมไปเลยนะไม่รู้สึกตกใจก็ลืมตาดูเห็นแค่นั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกตกใจเลยเขามั่นใจขนาดนั้นอ่ะนะเชื่อมั่นในความองอาจความกล้าๆของตัวเองอะ่ะใจเนี่ยขนาดนั้นว่างานยราชสีเนี่ยเป็นฉันนั้น แม้ท่านก็เป็นผู้มีความเพียรมั่นมีความเพียรไม่ย่อหย่อนจักเป็นพระพุทธเจ้าได้พูดสัมนวนทั่วไปเราก็คือกล้าว่ายน้ำข้ามทะเลอะ่ะมีใครบ้างมีผ้าหมาชนกใช่ไหทะเลนก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละที่ก็บอกโอ้ยท่านว่ายยังไงก็ไมาถึงบอกทะเลก็เป็นอยู่อย่างนั้นของทะเลนั่นแหละแต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามก็ว่ายถึงฝั่งได้นั่นแหละแต่ถ้าคนที่เกียจเราโอ้ยไกลไปทําไม่ได้หรอกแต่นี้เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกเขาองคอาจนายทุกขอิริยาบถ ไม่มีคำ ว, ว่าทอแท้เนี่ยไม่มีและอย่างหนึ่งนะท่านมีใจรักในโพธิญาณอย่างแรงกล้าอยู่แล้วด้วยแล้วก็ท่านมีความเชื่อมั่นอย่างแรงในการบําเพ็ญบารมีว่างั้นเขาก็ได้อธิษฐานวิริยะบารมีเป็นข้อที่ห้าคือมองเห็นได้ว่าโอ้ธรรมะที่เป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยจะต้องมีใจองอาจขนาดนั้นจะต้องกล้าขนาดนั้นท่านก็เลยสมาทานวิริยะบารมีขึ้นนะถ้าปัญญาเกิดขึ้นฉลาดแลยใช่ไหมแต่ถ้าไม่พยายามจะมีผลมากไหม ฉลามากแต่ขี้เกียจอ่ะมันก็จบเมื่อไงนั้นท่านก็เลยเรียงวิริยะบารมีต่อจากปัญญาบารมีว่าปัญญาจะได้รับอันนี้สงมากก็ต้องอาศัยความเพียรแล้วความเพียรอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสมาทานท่านก็เลยอธิษฐานสมาทานตั้งจิตให้มั่นกระทำให้มั่นแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็กล่าวตามคมภีพุทธวงว่าความจริงพุทธธรรมเหล่านี้จะไม่มีอยู่เพียงเท่านี้เลย คือพุทธธรรมนั้นไม่ใช่มีเฉพาะแค่สี่อย่างใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะทานศีลเนคขมมะและปัญญาเท่านั้นเราจะเลือกเฟ้นธรรมะแม้เราเอื่อนที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ก็ได้เห็นวิริยะบารมีข้อที่ห้าที่ท่านผู้สแสวงหาคุณใหญ่แต่เก่าก่อนทั้งหลายถอปฏิบัติเป็นประจำ ท่านจึงยึดวิริยะบารมีข้อที่ห้ากระทําให้มั่นก่อนจงถึงความเป็นวิริยะบารมีหากท่านปราถนาบรรลุโพธิญาณถ้าปราถนาบรรลุคุณธรรมอย่างสูงทรงก็ต้องมีความเพียรพยายามราชสีพยายามมรุราชมีความเพียรไม่ย่อหย่อนมีใจประคับประคองตลอดเวลาฉันใดท่านประคับประคองความเพียรให้มัน่นในภพทั้งปวง ถึงความเป็นวิริยะบารมีแล้วจากบรรลุโพธิญาณชั้นนั้นมือนกันแล้วความเพียรของท่านเนี่ยนะไม่ใช่อยู่เฉพาะภพกายภพหนึ่งนะเพียรในทุกทุกภพเขาบอกว่าความเพียรของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะแม้เกิดเป็นพญากระรอกกระแตเนี่ยนะกระรอกเนี่ยหรือกระแตเนี่ยนะมีมีลูกอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำมันนะแล้วน้ําป่ามันก็บ่าพัดเอาลูกเนี่ยตกลงทะเลถ้าของเราทําไงเสียใจแย่เลยนะ กระาะกเนี่ยสนึกถึงลูกสงสารลูกทําไงอะก็เลยวิ่งไปที่น้ําทะเลเนี่ยเอาหางไปจุ่มน้ําขึ้นมาสะบัดอ่าก็ทําอยู่อย่างเงี้ยขยันกันนะนั้นหน่อนะเท้าสกาก็เลยเอ๊ออาศนะมันร้อนอ่ะคนมีบุญทําอะไรบางทีคนอื่นก็ร้อนเหมือนกันนะก็เลยบอกว่าโอ้ยพญากระรอกครับไปว้อย่างงี้ตายอย่างนี้เลยก็เลยสงสารก็เลยมามาถาม ว่าโอ้ยท่านไม่ดูมาหาสมุทรเลยเลยมันกว้าง ใ, ใหญ่ไพศาลสัมนวนเราบอกตายอีกสามชาติกับวิทย์ไม่เจ็จเห้ือนกัก็บอกว่าท่านเป็นใครเหมือนกนเป็นเท้าสา ก, กา่าโอ้คนที่เกียจขี้ค้านอย่ามาคุยกันเราอย่ามาคุยกันเร า, นน า, เราแล้วเท้าสา ก, ก่าก็เลยต้องเอาลูกมาให้อใจเขาขนาดนั้นนะโอ้ใจเกินร้อยกันอะไรย่างไงบารมีไม่ไม่ใช่มีเท่านี้นะผมสงสัยว่าเพียนเนี่ยเพียนเพียนทําอะไรมั่งครับ ถึงว่าตลอดที่กําลังบําเพ็ญบารมีเนี่ยนะฮเพียนเพียนใหญ่ๆเพียนอะไรบ้างครับก็เพียนในการเจริญกุศลธรรมนั่นเองเพียนเจริญกุศลแล้วก็เพียนละอกุศลเจนพะอและละอะไรมีไหมครับอ่าเพียนมีสอย่างนะก็คือหนึ่งเพียรละอกุศลแล้วก็ต่อไปเพียนระวังไม่ให้อกุศลเกิดแล้วก็เพียนทํากุศลให้เกิดแล้วก็เพียนพอกพูนกุศลอนั้นมากๆก็คือกิจของสัมมประธานสี่นั่นเอง เพียรในที่นี้ก็คือเพียรกําจัดอกุศลวิตตกทั้งหลายแหล่นั่นเองนะถ้าเป็นวิริยะสังวรก็คือเพียรพยายามเพื่อไม่ให้อกุศลบาปประธรรมมันเกิดขึ้นในจิตและกุศลเกิดขึ้นก็ประคับประคองให้มีอยู่ต่อไปนั่นคือกิจของสัมมาประทานเพราะฉะนั้นท่านเรียงอย่างมักมีองแปดเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะแล้วก็สัมมาวายามะคือ สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาขันธ์สัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลขันธ์ในขันธ์ทั้งสองต้นนั้นอะถ้าขาดความเพียรไม่มีผลมากหรือบางแห่งท่านเรียงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะและสัมมาวายามะสัมมาสังกัปปะจะบริบูรณ์ได้ต้องอาศัยความเพียรเช่นอกุศลวิตกเกิดขึ้นเนี่ยต้องเพียรนะทำไมเพียรเนี่ยปล่อยมันเกิดต่อแน่ ยกตัวอย่างเช่นเรากําลังนึกถึงเรื่องบางเรื่องใช่ไหมยกตัวอย่างผ้าหนุ่มเนรน้อยถ้าคิดถึงคนรักว่างไงดีเหลือเกินนะสมัยนั้นเคยคุยกันยังไงกันไหมสว่าไงแต่ตรงนั้นไม่ได้นะต้องขยันนะต้องเพียรพยายามเพื่อที่จะกําจัดไอ้ความคิดนั้นออกไปกําจัดความคิดอนั้นออกไปอันนั้นต้องเพียรยิงเลยนะถ้าไม่เพียรกําจัดความคิดเหล่านั้นไม่ได้มันก็จะยินดีเอ่ะดีเือนกันน่ะคิดไหมอยากคิดอย่างนี้มานานละเพิ่งคิดได้อย่างนี้ว่า ถ้าอย่างนั้นเรียกคนเกียรครั้นนะสำนวนบาลีเขาเรียกว่าคนมีความเพียรเลวทรามมีความเพียรไม่ดีนั่นเองเพียรที่ท่านอาจารย์ว่างเพียนี้ครอบคุมคือสมรภูมิเศนี้แต่ถ้าหากจะพิจารณาลงไปแล้วผมคิดว่าเพียรในบารมีทั้งหมดนั่นแหละเริ่มต้นแต่ทานบารมีคือเพียรในเรื่องของทานเพียรในเรื่องของศศล เยรในเรื่องของเนคขมัตตลอดไปทุกๆบารมีใช่คือบารมีเหล่านี้ที่จะทําเนี่ยนะคําว่าเพียรเนี่ยแปลว่ากล้านั่นแหละเพียร น, นี่แปลว่ากล้าทําอ่ะนะในบารมีที่เหลือทั้งหมดนั้นอนะ่ะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของกุศลนะก็เป็นเรื่องกุศลหมนไม่ว่าจะเป็นทา น, นเรื่องศีลในเรื่องเนค ข, ขมะในเรื่องสัจจะทั้งนั้นเป็นการเพียรเพื่อให้กุศลเกิด ถ้าหากว่ากุศลไม่เกิดกุศลมันมาแทนที่เนี่ยโดยเฉพาะสัมมาสังกัปปะถ้าไม่มีความเพียรให้มีกุศลมากๆนะอกุศลเข้ามาแทนที่มัน ไ, ไม่ว่างอไอสองตัวนี้มันคอยสลับกันอยู่นี่นะมันจะต้องเพียรจริงๆเลยนะแต่ทีนี้ความเพียรเนี่ยเพียรแบบไหนอะเพียรดีแล้วเนี่ยนะต้องทนได้ฮะเห็นขันเตบารมีต่อไปคือท่านเรียงปัญญาปัญญาจะมีผลมากต้องเพียร ฉลาดถุกแล้ฉลาดดีละแต่ควรขยันด้วยนะขยันแล้วต้องทนด้วยนะต้องอดทนท่านเรียงวิริยะบารมีต่อไปมาดูว่าลําดับนั้นเมื่อเขาใคร่ครวญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยคิดว่าธรรมะที่กระทําให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเพียงเท่านี้เลยเขาได้เห็นขันติบารมีข้อที่หได้มีความคิดว่าดูกรสมเอศบัณฑิตนับจําเดิมแต่นี้ไปท่านเพึงบําเพ็ญขันติบารมีให้เต็มเปี่ยม พึงเป็นผู้อดทนได้ทั้งในความนับถือทั้งในความดูหมิ่นคือในช่วงที่เพียรทํากุศลเนี่ยนะอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นบางคนก็มาชมชมมากเลยเลิกคกําก็มีบางคนเนี่ยขณะที่กําลังทํำกุศลบารมีอยู่บางคนมีคนมาดูหมิ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องอดทนได้ทั้งดูหมิ่นและสารเสวนที่จะเจริญกุศลนั้นต่อไปเหมือนอย่างว่าคนทั้งหลายที่ทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงบนแผ่นดิน แผ่นดินย่อมไม่กระทำความชอบใจไม่กระทำความแค้นใจถ้าเขามาชมแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ชอบใจใช่ไหมมันได้รู้สึกชอบใจถ้าเขามาชังแผ่นดินน่ะแผ่นดินก็ไม่รู้สึกกระทำความแค้นใจมีแต่ความอดทนอดกลั้นเท่านั้นแม้ฉันใดแม้ท่านเมื่ออดทนได้ในความนับถือก็ดีในความดูหมิ่นก็ดีจักเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องทนได้นะาะ ง, งั้นถ้าไม่ทนก็ ไม่ได้ตรัสรู้ทำอ่ะเขาได้อธิษฐานขันติบารมีข้อที่หกแม้แต่ขันติเนี่ยต้องสมาทานก่อนไว้ก่อนนะทาไม่ได้สมาทานไว้ก่อนเนี่ยไปเจออะไรเข้าเดี๋ยวตบะแตกสั่นนึงว่าตาบะแตกหว่กันขันติแตกเนาะทำไมมีการสมาทานไม่มีการตั้งใจไว้ตั้งแต่เดิมนั้นการตั้งใจไว้ก่อนก่อนเนี่ยนะอัตตสมมาปณิทินี่มีความสําคัญมากคิดดูนะในจักสีที่เป็นเหตุให้เกิดความเจริญเนี่ยมีอัตตะสมมาปณิทิอยู่ในนั้นด้วย หนึ่งปฏิรูประเทศวะสองฟังธรรมของสัตว์บุรุษสามอัตตาสมาปณิธิและปุเพกตปุญญาตาธรรมะสี่อย่างนี้มีอยู่ในบุคคลใดเป็นเหมือนจักที่พัดผันพัดพาไปสู่ความเจริญอย่างเดียวเรียกว่าจักรสี่เนี่ยนะที่พาไปสู่ความเจริญเนี่ยนะมีอยู่หนึ่งนะอยู่ในประเทศที่สมควรสองคบสัตว์บุรุษสาม ฟังธรรมสี่อัตตาสมาปนิธิเนี่ย น, นะสีอย่างนี้สําคัญมากเลยปเุเพกตะปุญญาตานี่ทํายังไงดีแล้วก็มันผ่านมาแล้วะครับก็ทําวันนี้ให้เป็นปเุเพกตะปุญญาตาของพุวกนีต้ต่อไปอะ่ะใช่ไหมถ้าชาตินี้ทําดีเนี่ยชาติหน้าสบายแน่ฮะ <c oughs> ชาติหน้าเรามีปเุเพกตะปุญญาตามากกับเพื่อนเอางี้นะถ้ามาฟังอย่างนี้บ่อยๆใช่ไหมมานั่งเรียนด้วยกันนะเรื่องบารมีเนี่ยเราต้องเข้าใจกว่านะถ้าไม่มีใครมาเลยนะถ้าเรามาตลอดไม่เลือกอะ่ะ มันเราก็ต้องเข้าใจกว่าคนที่ไม่เคยมาเพราะเรามีปุเพกะตปุญญตาเราฟังไว้ก่อนๆไว้แล้วข้อนี้เนี่มีความสําคัญมากเลยนะเราอย่างนั้นผู้ที่ไม่มีบุญเราพูดไบ่อยๆใช่ไหมคนไม่มีบุญก็มันยิ้มยโอกาสมาฟังอย่างเงี้ยกาไม่มีบุญทําไว้ก่อนน่ะใช่ไหมแต่ถ้าจะมีผู้แสดงธรรมกนแล้วประเทศก็มีแล้วผู้ตัดสินถ้าไม่มีบุญนะหูไม่ดีอดเด็ก อะไรได้ทั้งหลายเรื่องหมดเลยนะนั่นหูเสียอย่างเงี้ยช่วงนั้นฟังเสียงดังๆไม่ได้อดเด็กเพรปัจจัยในการเกิดขึ้นของกุศลเนี่ยไม่ใช่น้อยๆ น, นะกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยได้ปัจจัยตั้งเยอะนะอย่างน้อยๆที่สุดนะอวัยวะทุกส่วนในกายของเราเลยนะตั้งแต่หัวเจรดเท้านี่ก็ถือมีความสําคัญต่อกุศลด้วยทั้งหมดเลยนี่เฉพาะอาวัยวะก่อนสองอัธยาศัยเดิมๆ เ, เราแนวความคิดเกา่เกาๆก่อนที่จะมานั่งตรงเนี้ย แนวความคิดเดิมๆคืออะไรก็เป็นอุปนิสัยต่ออุศลอันนี้ด้วยสิ่งแวดล้อมบรรยากาศถ้าอยู่ๆเนี่ยนะเกิดอะไรมากระหึ่มอยู่ตรงนี้อีกบรรยากาศไม่ให้หรืออยู่ๆคนในนี้เกิดใครมีโทสะกำเริบอย่างแรงกล้าขึ้นมาอดิกฐ์ว่าปัจจัยเยอะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าถีน้มิถแทรกเข้าอย่างเดียวนี่หมดเลย ผีนาิธ่เข้ามาเนี่ยอย่างอื่นได้หมดแล้วผีนาบิธะเข้ามาเนี่ยอย้เขาบอกว่าเปลือกตาปกติไม่ได้หนักอะไรเลยมันนี้ทําไมมันหนักเหลือเกินอย่างเงี้ยมันเหมือนกับอะไรมาถ่วงไว้นะยิ่งอะไรมาถ่วงตาอกีกมันหนักจริงๆเหมือนกับว่าสำนวน ว, ว่าผีนาบิท่ามื่อครอบงำบุคคลใดเหมือนช้างล้มทับทั้งตัวนั่นแหละเจตสิกตัวนั้นเนี่ยไม่ธรรมดานะ เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในคำพีพุทธวงศว่า <c oughs> ความจริงพุทธธรรมเหล่านี้จะไม่มีอยู่เพียงเท่านี้เลยจกเลือกเฟ้นธรรมะแม้เราเอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณท่านบอกชีกน้นะว่าท่านจะต้องเลือกไปอีกครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ก็ได้เห็นขันติบา ร, รมีข้อที่6กที่ท่านพูดแสวงหาคุณใหญ่แต่เก่าแต่ก่อนทั้งหลายถือปฏิบัติเป็นประจำท่านจงยึดขันติบา ร, รมีข้อที่หนี้กระทําให้มั่นก่อน สังเกตดูนะว่าท่านบอกว่าเป็นประเพณีหวังอันคําว่าเป็นประจําก็คือเป็นประเพณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องบําเพ็ญคันติบา ร, รมีมาก่อนอันนี้เป็นประเพณีเลยอะ่ะถ้าอยากเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องทําแบบท่านน่ะเพราะฉะนั้นต้องกระทําให้มั่นมีใจไม่ลังเลต้องไม่ลังเลเลยนะในการบําเพ็ญคันติบา ร, รมีในข้อนั้นจักบรรลุสัมโพธิญาณ ธรรมดาแผ่นดินย่อมทนต่อสิ่งของที่เขาทิ้งลงสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้า ง, าางทุกอย่างไม่กระทําความแค้นใจมีแต่ความเอ็นดูฉันใดแม้ท่านเป็นผู้อดทนต่อความนับถือและความดูหมิ่นของคนทั้งปวงได้ถึงความเป็นขันติบา ร, รมีแล้วจักบรรลุโพธิญาณได้ดังนี้ก็ต้องอดทนเนี่นะสำนวนเขาว่าว่าหูบา ร, รมีทั้งห้าข้อได้มาดีแล้วแต่ถ้าขาดขันติทกอย่างก็ จบเลยเหมือนกันนะรอไม่ได้ขันติก็คือรอได้ทนได้บางงันถต่ไม่เปลี่ยนแปลงปณิธานเพียรแล้วก็ความเพียร น, น, นั้นก็เด็ดเดี่ยวเป็นไปตามนั้นอย่างไม่แตกไปหาเรื่องอื่นบางั้นแตะคือคนส่วนใหญ่นั้นเวลาทํากุศลเวลาเพียรทําอะไรมากๆนะคนมาชมปุ๊บเหลิงเลยเลิกทำต่อใช่ไหมลาบสการะนี้ก็เป็นของทารุณเผ็ดร้อนทําให้ไม่สามารถเจริญกุศลต่อไปได้เสร็จแล้วต่อไปอีกหนึ่ง ความนินทาคนอื่นว่าร้ายพอถูกว่าร้ายถูกนินทาเป็นต้นก็เลิกทํากุศลก็มีเพราะฉะนั้นขันติบารมีจะต้องมาเกื้อกูลเข้าออทนได้ทั้งในที่ดีและไม่ดีเพื่อที่จะเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นต่อไปจริงๆของเราก็ไม่ได้ถึงสมท า, านกับแบบแผ่นดินก็ได้เราเอาภูเขาลูกเล็กๆมาก็ได้นะโอโแผ่นดินใหญ่ไปนะเอาภูเขาลูกย่อมๆหรือถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็บอกว่าเสาเขื่อน เสาเขือนก็คือเสาอินทีินอ น, นะยาวสิบหกศอกตันด้วยนะเป็นหินทึบฝังลงไปในดินแปดศอกว่าเง้นโผล่ขึ้นมาแปดศอกว่าไม่กระเทือนด้วยลมที่